เราสร้างพักเครื่องเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยสร้างกันไม่หยุดนะหนึ่งเป็นสินค้าพระแท้ๆนะ้น้อยลงน้อยลงพยายามสร้างพระขึ้นมาในใจเราให้ได้พระที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์มนเป็นสรณะให้เราได้จริงเมือพระภายในนี่เองเรามีพระภายในแล้วเราไม่ทุกข์ มีพระภายนอกก็เป็นกำลังใจไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ว่าไม่พ้นจากถูกขทั้งปวงส่วนมากก็สร้างกันหาเงินการสืบทอดธรรมะนะทำยากมากเลยธรรมะแท้ๆนี่มันฝืนกับโลกโลกมันตามใจกิเลสเขาส่งเสริมให้บริโภคให้มากๆานกะ ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรยิ่งดีให้งงงง่ายขอให้ซื้อของก็พอแล้วนะระบบมันเป็นอย่างนั้นนี่จะมาภาวนาลดละกิเลสไไม่ถูกใจพวกที่มีอิทธิพลเยอะๆพระพุทธศาสนาในเรือแต่ชื่อแต่เดิมตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเขาถือว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ น, นี่ลงมาเป็นอันดับสามเล็กลงเลรื่อยๆเหลือคนนับถือาศาสนาพุทธไม่มากแล้วในจํานวนที่ว่านับถือพุทธนะนับถือแต่เปลือกหรอกคนที่เป็นพุทธแท้ๆนะยังมีถึงล้านคนนอเปล่าทั้งโลกหลวงพไม่แน่ใจเลยส่วนใหญ่ก็รู้แต่พิธีกรรมแล้วก็เอ า, าศาสนานะ ไปเสริมกิเลสอย่างว่าคิดว่าทำบุญแล้วจะรวยอะไรนะี่ทำพระเครื่องก็รุ่นรวยพันล้านหมื่นล้านนะรุ่นมหาเศรษฐีไม่เห็นมีรุ่นกระ ย, ยาจกเลยีนะ่เอาศาสนาไปก็เพื่อส่งเสริมกิเลสอีก คนที่จะเป็นพุทธแท้ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่ใช่ชาวพุทธจริงไม่ใช่สาวกของพุทธเจ้าถ้าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะนี่คือจุดตั้งต้นเลยเรามีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้ารู้สึกคำสอนของท่านสมบูรณ์ด้วยเหตุผล สำนวนบาลีบอกว่าบริบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะอัฏฐะคือเนื้อหาพยัญชนะคือถ้อยคาที่ถ่ายทอดสมบูรณ์เราเห็นด้วยตัวเองธรรมะของท่านไม่มีอะไรต้า น, นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่คำว่าเหตุกับผลเหตุกับผลมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้ ม, นมีผลอย่างนี้ มีตัณหาก็มีผลเป็นความทุกข์เหตุอย่างนี้คือตัณหามีผลอย่างนี้คือความทุกข์มีเหตุอย่างนี้คือการเจริญมรรคมีผลอย่างนี้คืออริยผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลทั้งฝ่ายที่อยู่กับโลกทั้งฝ่ายที่จะพ้นจากโลกก็เต็มไปด้วยเหตุผลงั้นเมื่อเข้าใจในธรรมจักรเข้าใจในอริยสัจแล้วเนี่ย มันไม่หมุนกลับคือไม่หมุนกลับไปเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกองั้นท่านจะมีสำนวนบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านหมุนกลงล้อของธรรมจักแล้วเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้คนที่ต้านทานไม่ได้คือคนที่เห็นธรรมจักเนี่ยต้านไม่ได้หรอกมนมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าได้จริงๆ ร, รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริง พระธรรมเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นมีจริงพระอริยสงฆ์ก็มีจริงไม่ต้องฝันเอาไม่ต้องคิดไม่ต้องเดาพวกเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพวกเราไม่รู้จักพระธรรมพวกเราก็เลยไม่รู้จักพระสงฆ์ด้วยเราก็เดาเอาองค์นี้แหละสุปฏิปันโนพระคัมโตสาวกสังโฆเนื้อเองเจอนักเล่นละครเขาก็นี่สุปฏิปันโน แยากแยะไม่ได้ที่ก็ตั้งนะตั้งองค์นั้นเป็นพระอรหันต์องค์นี้เป็นพระอรหันต์เอาอะไรไปตั้งเอากิเลสของเราไปตั้งคือตราบใดที่ใจยังไม่เข้าถึงธรรมไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระสงค์เหมือนกันวันใดใจเข้าถึงธรรมใจของเราแหละเป็นพระสงค์ใจเราจะรู้จักพระพุทธเจ้า งันชาวพุทธไม่รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นชาวพุทธไม่ได้เป็นคนไม่มีที่พึ่งเคยสวดไหมพุทธทางสารนังคชาติมิธรรมมังสารนังคชาติมิสังฆสารนังคชาติมิอันนี้เป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะสมัยต้นๆพุทธกาลเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้สงฆ์บวช คนที่มีศรัทธาได้วิธีบวชง่ายนิดเดียวเองเขาประกาศตัวว่าเขามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ลดระดับลงลดระดับลงถ้าประกาศเอาพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสระณะนะได้เป็นเนนยังพวกเราทําพิธีกรรมแล้วก็สวดเลยนะพุทธทางสระนังขจามิสวดทรงเดช ที่จริงเป็นเรื่องสําคัญนะถ้าเมื่อไรใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะจริงนะเราจะไม่คลอนแคลนจากพระพุทธศาสนาละเรารู้ว่าพระธรรมมีจริงพ้นทุกข์ได้จริงบริสุทธิ์ได้จริงพอใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์เรารู้เลยว่าพระสงฆ์เป็นยังไง ร, นะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆไม่คลอนแคลน ถ้าชาวพุทธไม่สนใจพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะก็ไม่ใช่ชาวพุทธถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ตอบไม่ถูกนะก็ยังไม่ใช่ชาวพุทธหรอกเงี้ยพวกเราต้องมาเรียนการที่จะเข้าถึงธรรมะเบื้องต้นนั้นเข้าด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ภูมิที่พวกเราจะทําได้ด้วยตัวเองเราไม่ใช่พระโพธิสัตว์ ที่บารมีเต็มได้รับพยากรณหรือไม่ใช่คนซึ่งสร้างบารมีไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าที่รู้ได้ด้วยตัวเองในยุคนี้จะไม่มีพระปัจเจกและพุทธเจ้าเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ยังดํารงอยู่เป็นพวกเราไม่ใช่พระปัจเจกแต่บางคนอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์บางคน คนที่ประกาศตัวเป็นโพธิสัตว์ก็เยอะเหมือนกันแต่ให้สังเกตเราเ อ, าอางนี้ความปรารถนาเป็นโพธิสัตว์นะั้นปรารถนาเพราะอะไรถ้าปรารถนาเพราะอยากใหญ่พวกนี้ไม่ใช่โพธิสัตว์จริงบา ร, รมียังอ่อนมากเลยปรารถนาเพื่อจะมีความรอบรู้แต่ฉานพวกนี้ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าได้หรอกถ้าปรารถนาด้วยมหากรุณา ปรารถนาที่จะช่วยสัตว์อื่นช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์เนี่ยอันนี้ถึงจะพอเป็นไปได้ยบางคนภาวนามไม่ขึ้นนะภาวนามไม่เป็นนะก็รักษาหน้าโดยการบอกว่าฉันเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆไม่เป็นหรอกเป็นสัตว์ที่ไร้คุณภาพต่างหากไม่ใช่โพธิสัตว์หรอกส่วนใหญ่ของพวกเราอยู่ในสาว ก, กภูมิ เราไปด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังให้ดีเปิดใจขึ้นมาลืมความเชื่อถือเก่าๆทิ้งไปธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีเหตุมีผลไม่มีใครต้านทานได้เราต้องมาเรียนรู้นะท่านสอนอะไรธรรมะที่ครับกลุมธรรมะทั้งหลายทั้งปวงคืออริยสัจสี อริยสัจสีนะ่นนเรื่องสําคัญที่สุดเลยในพระพุทธศาสนานี้ถ้าพระพุทธเจ้าเคยสอนนะว่าถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจไม่สามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังหมุนอยู่ในกองทุกข์อยู่ถ้ารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจถึงจะพ้นจากกองทุกข์อริยสัจนั้นะมีสี่อย่างถ้าถามอริยสัจคืออะไร อริยสัจมีองค์ประกอบอะไรมีองค์ประกอบสี่ข้อคือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคแต่ละข้อแต่ละข้อนมีกิจที่ต้องทำมีภารกิจทุกต้องรู้สมุทยัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคต้องทำให้เจริญทำให้เกิดขึ้นทุกไม่ใช่เอาไว้ละแต่ทุกเอาไว้รู้ สมุทัยคือความอยากไม่ได้ไว้ตอบสนองแต่ต้องละนิโรธคือพระนิพพานต้องเข้าไปเห็นเข้าไปแจ้งไม่ใช่ทำให้เกิดขึ้นมรรคต้องทำให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้นเนี่ยทุกสมุทยัยนิโรธมรรคคือองค์ประกอบของอริยสัจแต่ละองค์แต่และองค์งนั้นมีกิจที่แตกต่างกันถ้าเมื่อไรเราทำกิจ นั้นสำเร็จนั่นแหละที่สุดแห่งทุกนะเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจรู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรรู้กิจของทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้ทำกิจนั้นเสร็จแล้วรวมแล้องข้อมีอย่าง4นะ4คูณ3เป็น12สอง เมื่อไรรู้แจ้งแทงตลอดทำนะกิจทำกิจของอริยศัสตว์เสร็จเมื่อนั้นแหละที่สุดแห่งทุกข์ละอะไรเรียกว่าทุกข์ถ้ามองผิวเผินนะความแก่ความเจ็บความตายเป็นตัวทุกข์แท้จริงความแก่ความเจ็บความตายนะเป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางกายสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ที่แท้จริง คือรูปนี้เองคือกายนี้เองตัวรูปนี้คือตัวทุกแม้ธรรมะของท่านลึกซึ้งนะไม่ใช่ว่าแก่เจ็บตายเป็นทุกนะมัน น, นั้นยางตื้นไปตื้นอยู่ชั้นหนึ่งในความเป็นจริงขันทั้งห้านี่แหละคือตัวทุกท่านบอกว่าสังขิตเตนะปัญจุปัฏธานขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้านี้คือตัวทุก รู้ทูก็คือรู้ขันทั้งห้านี้ตามที่ขันทั้งห้าเป็นคําว่ารู้นั้นรู้สองอันสองระดับอันหนึ่งรู้ด้วยสติรู้ว่ารูปมีอยู่นามมีอยู่รูปธรรมนามธรรมขันทั้งห้ามีอยู่นี่รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นขันแต่ละขันนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์คาว่ารู้ทุกนั้นก็เลยรู้ด้วยสติและปัญญา อย่างร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวท้องพองท้องยุบรู้สึกตัวอันนี้รู้ด้วยสติถ้ารู้ด้วยปัญญานะีใจมันจะเห็นตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันคือตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอด หรืออย่างความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาอันนี้ผิวเผินก็เป็นทุกข์ทางใจแต่คําว่าทุกข์ขั์จริงๆนั้นตัวจิตใจเรานี่แหละตัวทุกข์เช่นเดียวกับตัวร่างกายนี่ตัวทุกข์ตัวจิตนี่แหละตัวทุกข์ตัวขันห้านี่คือตัวทุกข์แล้วมันก็แสดงทุกข์ให้ปรากฏทุกข์ทางรูปธรรม แสดงออกด้วยความแก่ความเจ็บความตายทุกทางนามธรรมทางจิตใจแสดงออกมาด้วยการประสบสิ่งที่ไม่รักด้วยการพลัดพรากจากสิ่งที่รักด้วยความไม่สมปรารถนาต่างๆด้วยความเหี่ยวแห้งใจขับแค้นใจนี่เป็นทุกข์ทางจิตใจที่แสดงออกมาเนื้อแท้ของมันของตัวทุกข์จริงๆรูปรนามนี่แหละคือตัวทุกข์ รูปธรรมนามธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นใช้ยึดหรือไม่ยึดนะมันก็ทุกหละงั้นคำว่ารู้ทูกนะั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเบื้องต้นหัดรู้ด้วยสติก่อนถ้าเราไม่มีสติอยู่ในกายไม่มีสติอยู่ในใจเรียกว่าไม่มีสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น เพรานเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ทั้นแรกเลยมีสติระลึกรู้กายมีสติระลึกรู้ใจถ้าแจกแจงละเอียดก็คือกายเวทนาจิตธรรมส่วนของร่างกายส่วนเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจส่วนของจิตก็คือจิตที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป ส่วนของธรรมก็คือขันธ์ทั้ง5คือนิวรณ์คือโพชฌงค์คืออริยสัจสิ่งเหล่านี้มีทั้งรู ป, ปรธรรมทั้งนามนธรรมถ้าไม่รู้ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานไม่มีสติะระลึรู้กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมย่อลงมาก็คือรู ป, ปรธรรมนามนธรรมเท่านั้นเองถ้าไม่รู้จักที่จะรู้รูปรธรรมนามนธรรมเรียกว่าไม่ได้ทําสติปัฏฐาน ไม่ได้ทำสติปัฏฐานเนี่ยไม่ไม่พ้นจากทุกข์เข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้งั้นเราต้องมาหัดมีสติระลึกรู้รูปนามนะเพื่อทำงานแรกให้ได้คือการรู้ทุกข์รูปธรรมนามธรรมนั้นมันมีอยู่แล้วเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นร่างกายนี้มีอยู่ใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดความสุขความทุกข์ ความดีความชั่วเนี่ยบุญอยู่ในใจตลอดเวลามันมีอยู่แล้วแต่คนทั่วไปไม่เคยเห็นเพราะอะไรเพราะเขามัวสนใจรูปเขาไม่สนใจตาเขาสนใจเสียงเขาไม่สนใจหูเขาสนใจกลิ่นไม่สนใจจมูกเขาสนใจรสไม่สนใจลิ้นสนใจ สิ่งที่มากระทบร่างกายความรู้สึกความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่มากระทบร่างกายไม่สนใจร่างกายตัวเองสนใจเรื่องราวที่ใจไปรู้เข้าใจไปคิดนึกปรุงแต่งไม่สนใจจิตใจตนเองตัวตาหูจมูกลิ้นกายนี่เนะี่ตัวรูปธรรมตัวจิตใจของเรานี่ตัวส่วนของนา ม, มัธรรมเราทิ้งมันตลอดเวลาถ้าเราให้ความสนใจ สิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสผลธภัพธรรมารมทั้งหลายถ้นะ่สนใจของพวกนี้เวลาเห็นรถชนกันดูอะไรดูรถใช่ไหมเห็นสาวสวยเดินมาดูอะไรดูสาวไม่ได้สนใจเลยว่าตากำลังดูอยู่ไม่ได้สนใจเลยว่าจิตไปเห็นรูปทางตาไม่สนใจนะเวลาได้กลิ่นอะไรสนใจไหมว่าจมูกกาลังได้กลิ่น ไม่สนใจว่าจมูกกาลังได้กลิ่นสนใจกลิ่นเวลากินของอร่อยสนใจลิ้นไหมลองเดี๋ยวลองไปกินข้าวดูนะดูว่าจิตเราสนใจอะไรเราสนใจรถเราไม่สนใจลิ้นหรอกบางทีกัดลิ้นเทิ้งซะอีกใครกินข้าวแล้วกัดลิ้นบ้างมีไหม <laughs> น่าสงสารลิ้น <laughs> กัดลิ้นแล้วโมโห อ, อีกเนาะเนี่ยเราสนใจของข้างนอก เราสนใจเรื่องราวที่คิดเราไม่สนใจจิตใจตนเองใชมเพราเราไม่มีคำว่ารู้ทุกเลยเพราะไม่มีสติที่จะระลึกรู้รูปรู้นามต่อ<ม>ไปนี้พยายามรู้สึกรูปนามบ่อยๆหน่อยนะรู้สึกตัวขึ้นมาให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวหลวงพู่ดูลบอกว่าอย่าส่งฉิตออกนอกถ้าส่งฉิตออกนอกก็คือจิตมันหลงไป ลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลถ้าะในธรรมารมส์คำว่าผลถ้พระคือสิ่งที่มากระทบร่างกายนะอย่างความเย็นความร้อนความม่อนความแข็งอะไรพวกนี้นี่ผลถ้าพระธรรมารมคือสิ่งที่รู้ด้วยใจอะไรรู้ด้วยใจบ้างรูปบางอย่างรู้ด้วยใจลองหลับตาสิหลับตาแล้วยิ้มรู้ไหมร่างกายยิ้มเนี่ยรูปที่ยิ้มเนี่ยรูปที่เคลื่อนไหวเนี่อรู้ด้วยใจไม่ได้รู้ด้วยตา รูปบางอย่างรู้ด้วยใจเป็นธรรมารมณ์นามธรรมทั้งหลายรู้ด้วยใจเป็นธรรมรมณ์เรื่องราวที่คิดนึกเรื่องสมบูรณ์ปัญญารู้ด้วยใจเป็นธรรมรมณ์พระนิพพานรู้ด้วยใจเป็นธรรมรมณ์รู้ด้วยใจนสิ่งที่รู้ด้วยใจนั้นกว้างขวางรูปประธรรมบางอย่างนามธรรมทั้งหลายเรื่องราวที่คิดทั้งหลายพระนิพพาน นี่เป็นธรรมารมณ์ญหลวงปู ด, ดุลบอกอย่าส่งจิอกนอกส่งจิตออกนอกก็คือมัวแต่สนใจของภายนอกสนใจรูปสนใจเสียงสนใจกลิ่นสนใจรสสนใจผดทั่วพะสนใจธรรมารมณ์ลืมตัวเองลืมตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจลืมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะลืมสิ่งที่ทวัาตัวเราเองต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว ทุกวันแบ่งเวลาทำกรรมฐ า, านสักอย่างหนึ่งนะใช้เวลาสักสนาที20นาทีไม่ต้องมากหัดใหม่ๆอย่าทำเยอะแต่ทำบ่อยๆอย่าทำเยอะตื่นนอนมาถ้าตื่นเร็วนะก็มาฝึกกรรมฐ า, านสักหน่อยหนึ่งไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมหรือจะนั่งก็ได้แล้วก็มีสติระลึกรู้ เช่นสวดมอนต์อยู่ไหว้พระอยู่เดินจงกลมนั่งสมาธิอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งร่างกายไปเพ่งความรู้สึกอะไรรู้ทันจิตมันเคลื่อนไปแล้วรู้จิตมันเคลื่อนไปแล้วรู้เมื่อไหร่ที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะเมื่อ น, นั้นจิตจะไม่เคลื่อนอันตโนมัติเลยเพราะจิตที่เคลื่อนนั้นเคลื่อนด้วยอำนาจของโมหนะชื่อว่าอุทธัจจะจิตมันฟุ้งสัน้นฟุ้งไปในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพธรรมารมณ์ ความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสเมื่อไรมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะว่าเมื่อไรมสติเกิดเมื่อนั้นกิเลสอยู่ไม่ได้นี่เป็นกฎของธรรมะเมื่อไหรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นเรื่องกฎของธรรมะเลยยิ่งถ้าเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตจะตั้งมั่นอันตโนมัติเพราะไม่ฟุ้งซ่าน นี่คือสมาธิที่เกิดขึ้นมั้นวิธีทําสมาธิที่ง่ายๆนะสำหรับพวกเราที่เข้าชาญไม่เป็นอาศัยสติรู้ทันความฟุ้งซ่านไว้ความฟุ้งซ่านนะของจิตนั้นทำงานได้หลายอย่างฟุ้งไปแล้วไปผูกพันรักใคร่ในอารมณนะ์ก็เรียกว่ากามาฉันทะนิวร์ฟุ้งไปแล้วเกลียดชังในอารมณ์เรียกว่าพยาปาทะนะ ฟุ้งไปเราจับจดในอารมณ์จับอารมณ์โน้นจับอารมณ์มณมณนี้เีว่าอุทธัจจะอุทธัจจ ะ, ะเกิดขึ้นแล้วกุกกุจจะความลาคาญใจมันจะตามมาเลยคู่กันอยู่อุทธัจจะกุกุจจะฟุ้งไปแล้วก็ทําให้คิดมากคิดมากก็สงสัยเป็นวิชิคิดฉาฟุ้งมากแล้วก็หมดเลี้ยวหมดแรงซึมกระทือไปเลยเป็นถีนมิทธะซึมไม่รู้อารมณ์ ไม่มีคุณภาพที่จะรู้อารมณ์ใจมันจะซึมเวลาที่ใจฟุ้งซ่านใจก็เสื่องซึมนะสังเกตให้เดียวเวลาใจฟุ้งซ่านนะจะรู้อารมณ์ได้ไม่ชัดซึมซมไปด้วยนะแอบปนป น, นกันมาถ้าเมื่อไรเรารู้ทันความฟุ้งซ่านใจเคลื่อนไปรู้ทันใจเคลื่อนไปรู้ทันนิวรจะดับนิวรณนทั้งห้าตัวจะดับ ท, ทันทีที่นิวรณ์ดับสมาธิจะเกิดนี่เป็นวิธีทําสมาธินะส่วนการทําสมาธิเต็มรูปแบบทำฌานนะอาศัยองค์ฌานไปข่มนิวรณ์ทั้ง5้าตัวนี้เราไม่มีองค์ฌานจะไปข่มนิวรณ์ทั้ง5้าตัวเราอาศัยสติไปรู้ทันนิวรณ์นิวรณ์ก็ดับเหมือนกันแต่จะดับชั่วคราวเดียวขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนข่มไว้ด้วยอํานาจของสมาธิเต็มรูปแบบ องค์ชาญมีห้าตัวใช่ไหมจำได้ไหมวิตกวิจารปีติสุเอกราคตาห้าตัวเนี้เป็นคู่ต่อสู้กับ น, นิวรณ์ห้าตัวเป็นคู่ชกกันเป็นคู่คู่คู่คู่นะสําหรับเข้าฌานไม่เป็นเราไม่มีเครื่องมือไปข่มนิวร์ใจไม่มีสมาธิเราก็ต้องใช้วิธีเท่าที่เราทําได้อาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่มีนิวรณ์ พอเรามีสติรู้ทันจิตที่มีนิวรณิวรณจะดับสมาธิจะเกิดอัตโนมัติถามว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าทำไมลงพ่ออุตลิมาสอนแบบนี้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าลองไปดูพระสูตรชื่อสามัญญผลสูตรพระพุทธเจ้าสอนอาชาติศัตรูทำไมสอนอาชาติศัตรูด้วยสูตรแบบนี้ทำไมไม่สอนให้เข้าฌานเหมือนที่สอนพระทั้งหลาย สอนพระท่านสอนเข้าฌานนะปฐมฌานทาตาุติยฌานปฏิยฌานจะตุตะทะฌานสอนเข้าฌานอย่างย่งยิี้าชาติศัตรูเป็นกษัตริย์เป็นนักบริหารเป็นปัญญาชนวันวันึงคิดสารพัดจะคิดเลยเหมือนพวกเราพวกเรานี้ยแะพวกนักคิดงั้นจะมาให้เราเข้าฌานเข้ายาก เราก็ใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้อีกแบบหนึ่งนะอาศัยสติรู้ทันนิวรณ์ไว้นิวรณ์จะดับสมาธิจะเกิดนะสมาธิที่เกิดตรงนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะคือสมาธิชั่วขณะไม่แนบแน่นเหมือนอัปปนาสมาธนะิไม่เฉียดเฉียดชานเหมือนอุปจารสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธิพระหัน์ส่วนมากมาด้วยคณิกะสมาธิ ตั้งแต่พุทธ ก, กาลล้ท่านที่ทรงฌานทรงอะไรนะมีคนกลุ่มน้อยหรอกที่ทําได้ไอพวกเราไม่ได้ทรงฌานอย่าเสียใจว่าชาตินี้จะไม่ได้มรรคผลบางคนนะ่ะไปสืบทอดลัทธิที่คิดเอาเองบอกว่าต้องได้ฌานก่อนถึงจะเจริญวิปัสสนาได้นี่คือลัทธิที่คิดเอาเองนะเรียกวอัตโนมัติพูดเอาเอง มีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งชื่อยุคคารนัตสูตรพระนนสอนพระนนก็ฟังมาจากพุทธเจ้านั่นแหละบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นทําได้หลายแบบใช้สมาธินําปัญญาก็ได้ใช้ปัญญานําสมาธิก็ได้ใช้สมาธิและปัญญาควบกันก็ได้เพราะฉะนถ้าเราจะใช้ปัญญานําสมาธิเพราะว่าเราเข้าฌานไม่เป็นไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะพระอรหันต์ส่วนมากมาด้วยพิธีนี้ด้วยซ้ําไป ยังในพวกที่บอกว่าต้องเข้าฌานก่อนปล่อยให้เขาเ ข, าเข้าไปหลวงพ่อเคยเจอนะสอนตั้งแต่หลวงพ่อบวชใหม่ๆอยู่เมืองการมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาหลวงพ่อก็บอกให้ไปดูจิตเอาถ้าดูจิตน้ำก็ไปได้แล้วฌานจะเกิดขึ้นทีหลังอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองด้วยคราวหนึ่งไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดุลย์ส่งกันบ้านท่าน ก็พูดถึงว่าดูจิตอยู่จิตมันรวมลงมาหลวงปู่บอกว่าจิตมันเข้าสมาธินะท่านบอกด้วยว่าสมาธิอันไหนอันไหนเราไปบอกท่านไว้ผมดูจิตอยู่ผมไม่ได้เข้าสมาธิทาไมหลวงปู่ว่าเข้าถ้าว่าดูจิตจะได้สมาธิอัตโนมัติเท่านั้นนะเวลาเราดูจิตเห็นจิตเกิดดับอันนี้ทมวิปัสสนาเวลาเรามีสติรู้อยู่ที่ตัวจิต น, นี่คือสมถะ เวลาเราเห็นร่างกายนะมีสติรู้อยู่ที่ร่างกายนี่คือสมถะเวลาที่เรามีปัญญาเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นตัวทุกข์เป็นของไม่เที่ยงอันนั้นวิปัสสนาเนีเพราะนไม่ว่าดูอะไรเนี่ยมันพลิกเป็นสมถะได้พลิกขึ้นเป็นวิปัสสนาได้ดูจิตก็ได้สมถะนะไม่ใช่ไม่ได้สมิเงั้นเรามีสตินะระลึกรู้ เราเข้าฌานไม่ได้เราก็ดูจิตดูใจเอาดูจิตดูอะไรก็ดูจิตที่มีความสุขดูจิตที่มีความทุกข์ดูจิตที่ดีดูจิตที่ชั่วบางคนบอกหลวงพ่อดูจิตผิดที่ดูทำไมไปดูจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วทำไมไม่ไปดูจิตว่างตัวจิตเฉยเฉยต้องไม่มีอะไรดูจิตคือดูตัวตัวรู้เฉยเฉยหลวงปู่ดูลไม่เคยสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอน จิตตานุปัสสนาเนี่ยท่านสอนอะไรท่านสอนดูพระภิกสูตรทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคะท่านสอนกันอย่างนี้หลวงปู่ ม, มั่นสอนหลวงปู่ดูลมาก็สอนแบบเดียวกันสอนหลวงปู่ดูลบอกว่าสเพสังคาราสัพสัญญานิจ่าสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารคืออะไรก็ความปรุงดีปรุงชั่วนั่นเองสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตะไม่ได้สอนให้ดูจิตที่ว่างๆนะ งั้นพวกเราอย่าไปดูจิตให้ว่างอย่าไปรักษาจิตให้ว่างหลวงพ่อที่ทำผิดไปสามเดือนแรกนะฟังหลวงปู่ ด, ดุลแล้วบอกให้ดูจิตแล้ไปดไูตัวรู้นี่เองพยายามรักษามันนะอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกนะ็แก้มันแก้มันแก้ไขไปเรื่อยแก้อาการของจิตไปจนกทาังจิตเป็นตัวรู้อยู่หลวงปู่บอกว่าทำผิดนี่แทรกแซงให้ไปทำใหม่คราวนี้ให้ไปดูใหม่นะก็ดูจิต มีราคาก็รู้จิตไม่มีราค้าก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตโหดผูก็รู้จิตสุขจิตทุกข์ก็รู้รู้ไปเรื่อยสุดท้ายมันก็เห็นนะว่าจิตทุกชนิดเกิดระดับเนี่ยเราจะเห็นจิตโดยตรงไม่ได้เพราะจิตไม่มีรูปร่างเราเห็นจิตผ่านเจตสิกคือธรรมะที่ประกอบไปจิตพระพุทเจ้าก็สอนอย่างนี้หลวงปู่ม่านก็สอนนี้หลวงปู่ดุลก็สอนมาอย่างนี้นะหลวงพ่อก็สอนต่อไปอีก งั้นเวลาดูจิตอย่าไปดูจิตเฉยๆรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นการทําสมถะเรียกว่าอะไรเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะการเพ่งจิตเพ่งวิญญาณอย่าไปทําอย่างนั้นหรือทําจิตให้ว่างเพ่งว่างๆอยู่อันนั้นเป็นสมถะชื่ออากาสานัญจายตนะเ น, นี่ยลูกศิษย์ฤๅษีนะแอบมาบวชอยู่ในศาสนาพุทธนี่เองแล้วถ่ายทอดธรรมะของฤๅษีอยู่ น, นี่นเราต้องะระมัดระวังนะ เราเรียนให้ได้ว่าพูะุทธเจ้าสอนอะไรแล้วไปลงมือทำดูอย่างพวกเราหัดดูนะรักษาศีลห้าไวนะ้ทุกวันซ้อมในรูปแบบสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรซ้อมซ้อมรู้ทันจิตที่หนีไปนะพุโทโธจิตหนีเรารู้หายใจจิตหนีเรารู้อะไรเงี้ยนะเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มไปกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นที่จิตที่ใจให้คอยรู้เอา สุดท้ายมันจะเห็นนะทุกอย่างเกิดแล้วดับเนะนี่ยคือเส้นทางเดินสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้นะไปลองเดินดูนะก็จะเป็นรอยเดียวกับพระอรหันต์ส่วนมากตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละพระเจ้าบอกพระอรหันต์หรอยองค์ทนะ่า น, นบอกพระอรหันต์หรอยองค์ได้วิชาสามหกสิบอภินยาหกหกสิบได้อุปโตภาควิมุตคือได้อรูปฌานนะเป็นพระอรหันต์ที่ได้อรูปฌานอีกหสิบ ที่เหลือ320รี่คือคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้น 36% นี่สที่ทรงชนนนันดังนั้นชื่อพวกอย่างพวกเรานี้งั้นอย่า น, ยน้อยเนื้อต่ำใจนะไปภาวนาไปถึงเวลาแล้วตอนนี้จะภาวนาด้วยการกินข้าวภาวนาด้วยการแย่งกันเข้าห้องน้ำนไปดูจิต ด, ดูใจไว้นิมนต์เลยครับนิมนต์แบภาวนาด้วยการฉันพัตฐาร ไม่네